ตอนอบรมคอสนาวามินครั้งที่สมระหว่างวันที่ 24-26 ถึงมีนาคม2560ตอนที่4เป็นช่วงคำถามเนาะผมเพิ่งร่วมฝึกอบรมครั้งแรกเวลาเข้าจิตในจิตลักษณะการเต้นสั่นอาการกระทาไม่เหมือนกันแต่คล้ายกันกับทางทางโลกที่ทำการปลุกเสก หรือเข้าพิธีผ่านยักษ์ผลของการอบรมจิตในจิตมีความแตกตา่างหรือเหมือนกันอย่างไรต้องการเรียนถามครูกูแนะนำด้วยครับเอ่อมันต่างกันนะครูกูเคยไปอบรมเด็กเดกวิทยาลัยอ e ีเทคที่ชนบุรีเขาไปสักไอ้ฮันุมานลั้างหลังนี่เป็นฝูงเลย พอคนนึงขึ้นมันขึ้นกันหมดเลยอันนั้นเรียกว่าอุปทานหมู่นะเพราะเราไปเปิดจิตรับตรงนี้มานะอันนี้พอเห็นคนอื่นทำมันขึ้นไปหมดเลยนะแต่พอเขาเจอวิธีเบี่ยงปุ๊บมันเบี่ยนปุ๊บมาทิ้งหมดเลยนะพราะเราชอบไปเป็นรับขันเป็นรับอะไรไดีเข้ามาเราไม่เคยเชื่อมั่นในตัวเองเลยเนาะเพื่อจะเติมเต็มให้ตัวเองแข็งแรงอันนั้นเรียกว่าอุปทานหมู่ ส่วนพานยักษ์นั่นเขาก็ใช้เสียงนะแต่ทีนี้เขาใช้พิธีอะไรเนี่ยเพื่อให้เราศรัทธาแล้วก็เอาได้สายสินโยงไปลงมานะจิตเราเปิดรับอยู่แล้วนะแล้วเสียงสวดมนต์นะคือเสียงถ้าจิตเราตั้งมัน่นกุ๊กมันจะกระทบหูมารู้ที่ใจมันจะเกิดอาการแสดงออกมานะนะทำให้มันอาการแสดงออกมาก็เหมือนว่าเออมันมีอาการบางทีว่าเออเจ้าหนี่มาทวงบ้างเทพมาลงบ้างอะไรเนี่ยนะ จริงๆแล้วนะมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องอาการของแรงสั่นสะเทือนที่ทําให้เราเกิดอาการอันนั้นเข้าถึงจิตสมมึกมันก็สแสดงอาการมาบ้างอยู่ที่ว่าคนทําพิธีกรรมเนี่ยอยู่มีเจตนามีเป้าหมายอะไรนะมันเกิดได้หมดแต่เขาไม่ได้เข้าไปถึงจิตใต้สมมึกโอเคนะแค่นั้นจ็ปุ๊บก็ไปทําพิธีอะไรล่ะอ่าอะไรล้างข้ออะไรอะไรก็โดยการทําบุญนะก็ หนึ่งเจตนาไม่เหมือนกันอยู่แล้วสองอาการที่มันแสดงขึ้นเนี่ยเพราะครูบอกแล้วไงรูปรสกลิน่นเสียงสัมผัสขอให้มันกระทบไปถึงใจเนี่ยมันก็จะเกิดอาการนี้ขึ้นมานะและหลายแห่งบอกครูเจ้ากรรมในเวรมาแล้วเนี่ยเออมันมีคอมีอะไรก็ไปล้าง้อมันก็เป็นจิตวิยาให้เขาไปทาบุญนะทีนี้เขาไม่รู้ว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับ ก็มีความแตกไม่แตกต่างไม่เหมือนกันเนาะคราบเรียนถามพวครูว่าเวลาเข้าจิตแล้วร่างกายเหวี่ยงไปเองตอนนั้นรู้สึกตัวแต่มีอาการเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆพอสักพักจะรู้สึกไปต่อไม่ไหวล่างกอยก็จะเริ่มหยุดถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องส่งแรงเหวี่ยงต่อหรือเปล่า ไห้หยุดการใหม่ๆเนี่ย เ, เราไม่คุ้นเคยแล้วก็ใจเราเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่ได้แข็งแรงเนาะนะแล้วถ้าเราทําไปด้วยเราไม่เป็นร้อเซกับมันเนี่ยลึกๆเรายังกังวลอยู่มันจะเหนื่อยที่ใจนะเป็นเรื่องปกตินะทีนี้เหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็ทําใหม่นะถ้ามันเหนื่อยเฉยๆถ้าเราอย่าไปเหนื่อยกับมันได้เราก็ดําเนินไปอาการเหนื่อยเป็นเวทนารู้มันเฉย แต่ต้องทําตามที่กายภาพเราพอรับไหวนะผู้เฒ่าผู้แก่อายุเก้าสิบก็ทําได้นะบางทีคุณหมอตกใจนะจิตเขารู้เองว่ากายภาพเรารับได้แค่ไหนแล้วก็ทําไปตามเหตุและปัจจัยคำว่าทางสายการเขาแต่ละคนไม่เท่ากันนะเราเราเราเ ร, ารู้เรารู้ตัวตลอดนะก็แสดงว่ามันเริ่มทํางานแล้วมันนั่นคือใข่มันนั่นคือใข่เออ เออมันนั่นคือใครนั่นแหละมีอะไรอยู่ในฝังในล่างตัวเราไหมเออมันมียาหนึ่งที่เขาเข้าทรงทรงมีจริงไม่มีจริงแต่ที่แสดงกันเนี่ย97เซไม่จริงนะมันเป็นการแสดงที่เขาเสียบโน่นเสียบนี่ดีตุ้งหูเราก็เสียบได้นะอันนี้เขาฝึกมาเขาแสดงได้นะเป็นแสดงก็ภูเก็ตมันมีหลายปีก่อนคนที่ดังๆเนี่ยเข้าทรงนะ เขาออกมาให้ข่าวเขาเปิดเผยว่ามันเป็นการแสดงแต่ทรงมีจริงไม่มีบางที พ, พ่อคูตั้งแต่ตอนเป็กเดกเนี่ยเคยเคยสัมผัสเรื่องนี้นะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแม่เขาตายแล้วก็เป็นโรคคนสุดท้องแล้วก็ว้าเว่ยคิดถึงแม่ตลอดเวลาแม่มาหาตลอดเวลานะนะตอนนั้น พ, พ่อคูไม่เชื่อเรื่องนี้เป็นนั่งเฝ้าอยู่ทีนี้พี่สาวคนโตเขาเนี่ยชื่อแท้นชื่อว่าจิ้ม ไม่มีใครรู้จักแต่พอแม่เขาเข้ามาสิงปุ๊บเนี่ยนะนะเขาเรียกกิ้มช่วยแม่ด้วยเพราะพวกนั้นมันก็ไปเอาหมอหมอมาไล่ะนะนะแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเ อ, อแม่เขาสูบหลีดเด็กผู้หญิงคนนี้สูบไม่เป็นนะอทีนี้หมอผีวันนั้นก็บอกให้เขาออกไปนะเขาก็รองกับพาห้องน้ำไปฉี่มันก็ออกไปเรื่องนี้ก็มีถ้าจิตเราอ่อนจิตเราเปิดรับ นะแต่ถ้าเราสร้างแรงเหวี่ยงได้แล้วเนี่ยต่อไปเขาเล่นคุณใส่อะไรมันเข้าตัวเราไม่ได้ไม่ต้องไปแผวนพระพระอยู่ในภูเขาจิตนอกจากว่าเราไปเปิดรับเข้ามาเรายินดีไปรับขันไงมันก็กลายเป็นอุปท า, านในตัวเรานะยกตัวอย่างว่าคนที่เขาไม่เคยพบพบครูเองสมัยเล่นการเมืองนี่เราคิดว่านักเล่นเรียกพี่นะแต่ลึกๆเราก็กลัวเหมือนกัน นะแขวนพักแนทนแค่ไหนก็ไปเช่ามาแขวนนะถ้าวันไหนออกบ้านหรือวพักไปเนี่ยความรัวมันเกิดขึ้นอันนี้เป็นอุปทานหลังจากพระกูระเบิดปุ๊บ ก, ก็อัญเชิญพระไปอยู่บนหิ่งเราไปนอนป่าช้าที่ไหนก็ได้พระอยู่ในภูเขาจิตเห็นไหมมันเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นนะ่ะไม่ใช่กลัวผีกลัวอะไรผีกลัวพระกูมากมันไม่กล้ามาหาพระกูนะ แต่ามันชอบมาหาแก้วทิพอยู่เรื่อยคนนี้หูหูหหูหาเรื่องตาหาเรื่องชอบเห็นอยู่นะ <S <S เขาเข า, เขามีเขามีเขามีอย่างที่ตัวนี้ <S 1> <S 1> หลังจากเข้าไปได้ไ ห, ลหลายๆครั้งย er ิ่งรู้สึกเพียและเหนื่อยมากอยากทราบว่าเป็นอุปทานเพื่อขวางไม่ให้เราปฏิบัติต่อหรือเปล่าครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะพวกคุณทุกคนว่าถ้าเขาเหนื่อยเขาเพียเนี่ย เรารู้แต really ่เราเราไปสนใจเขาก็ทําไปเรื่อยๆถ้าจิตเองไม่มีวันเหนื่อยไอ้ที่เหนื่อยนึ่ใจเนี่ยถ้าในภาษาโลกมันสบายนะมันแก้บอกว่าเธอเหนื่อยแล้วหยุดเธอนะแต่ถ้าเราฝืนมันหน่อยหนึ่งได้เนี่ยก้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันจะปั๊มเลือดลงหล่อเลี้ยงแรงขึ้นเราได้ออกกําลังใจด้วยแล้วเราจะแข็งแรงมากนะครับอย่าไปรู้ว่ามันเหนื่อยจริงหรือมันเหนื่อยปลอม ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินไหนรู้เฉยเยที่ปกปุรูร้เฉยเยนะส่วนมากมันจะเป็นของหลอกนะบางทีไม่ใช่เหนื่อยนะถ้าเราอมุนเลียงเลียงจิตบุญแรงแรงจิตมันจะหลุดพ้นมันจะทําให้เราหายใจมันจะบอกว่าหัวใจจะหยุดเต้นแล้วมันจะหยุดเราเนี่ยเรียกว่ามหันในใจอันนี้เป็นสัญชาติญาณของใจเนี่ยมันไม่ต้องการปล่อยจิตนะการเข้าจิตแต่แต่เราไม่ได้เห็นอะไรแปลว่า จิตเรายังไม่นิ่งพอใช่ไหมครับเห็นนะเห็นว่าเราเหนื่อยไงนี่คือเห็นแล้วไงเห็นอารมณ์ไงไม่ใช่เห็นผีเป็นสารที่เทพเจ้าอะไรที่ไหนนะอันนั้นก็เห็นถ้าเห็นนิมิตตอนนั้นนะเราเห็นนิมิตจริแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันเป็นอุปทานของจิตรู้แล้วก็เบียดทิ้งนะอันนี้เห็นแล้วไงไม่ได้เห็นนะเราก็เห็นว่าเราเหนื่อยเราเพียนี่คือเห็นอาการเนี่ยคือเห็นธรรม เห็นเวทนาในเวทนาบางทีไม่ใช่เวทนามันเป็นธรรมในธรรมตอนเวลานี้เราไม่ใช่เหนื่อยจริงๆถ้าเหนื่อยจริงตอนนี้มันเป็นเวทนาปัจจุบันถ้าอารมณ์เหนื่อยซึ่งเวลานี้เนี่ยเราไม่น่าจะเหนื่อยแต่มันเหนื่อยมันเป็นของเก่ามันเป็นธรรมอารมณ์นะกายเวทนาจิตธรรมรู้เฉยๆนะครับรู้เฉยๆ ทำไมขณาดปฏิบัติเข้าถึงสมาธิระดับหนึ่งแล้วสมาธิจะขาดช่วงไม่ว่าจะค r o s อริยบทใดควรทําอย่างไรหากเกิดอาการนี้อีกรู่เฉยๆอันนี้ไม่ใช่เข้าสมาธินะครับอันนี้เราไม่ได้ฝึกสมาธิเราไปคุ้นเคยว่าสมาธิมันต้องสงบนิ่งเราไม่ได้ทําสมาธินะเราไม่ได้ทําสมาธิ ทีนี้มันทําแล้วก็มันหยุดมันชะครับเนี่ยเวลามันหยุดเนี่ยหนึ่งถ้าเราเผลอไปคิดเอ๊ะสะดุดแล้วนะความคิดเร็วมากแต่สะดุดปุ๊บรามีสติแล้วก็ไปต่อบางคนเหวี่ยงแรงๆล้ม ล, ลงไปปึ้งบางคนหยุดเพราะว่าไม่มีพลังต่อตถ้าพลังเรแรงล้ม ล, ลงปึ้งมันกิ้งต่อเลยนะถ้าเราไม่หยุดได้ดีที่สุดทําต่อ แต่สัญชาตญาณเราเพอมีอะไรเปลี่ยนแปลงปุ๊บ เ, เราจะสะดุดเพราะเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณ น, นะเนื่องจากเรายังไม่ชำนาญเท่าไหร่แล้วก็พลังจิตมันยังไม่พอนะก็ทาต่อไปเห็นตัวเองเอาหัวโขกต้นมะม่วงจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นภาคมโนในจิต หรือภาคอดีตค่ะสัแต่ว่ารู้ไม่พิจารณาไม่ตัดสินเราชอบรู้เนี่ยเป็นนิมิตแบบขึ้นมาถ้าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะคิดเราเองหรือมันของจริงเป็นอย่างนี้นะอดีตเราเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆเราเคยเป็นในก่อพอตรงนี้ปุ๊บเราเรีวไเราเห็นในก่อ ในกอที่เราเห็นไม่จริงแล้วมันผ่านไปแล้วมันเป็นอน้าตาไปแล้วไม่ต้องสนใจว่ามันคิดขึ้นมาเองหรือมันเป็นของเคยผ่านมาทั้งคิดขึ้นมาเองทั้งของที่ผ่านมามันเป็นอุปทานกิเลสในอดีตตอนนั้น่ะมันเป็นกิเลสทําให้เกิดตัณหานะแล้วก็ไปสร้างกำมันก็ไปคึกสัญญาไว้นะพอมาตรงนี้มันกําลังรีวท์กบมันก็โผล่ขึ้นมาอีกทีหนึ่ง เรารู้เฉยๆ ล, ล้างมันออกไปเรื่อยๆไม่ต้องแยกแยะว่ามันจริงไม่จริงนะเอาเป็นว่าไม่ไมีแม้แต่หนึ่งอย่างจริงตัวเรานี่จริงไหมใช่ไหมตัวเราก็ไม่จริงนะอตอนเด็กๆเป็นเบบีตอนนี้โ ต, ต, นนตแล้วตอนนี้แก่แล้วเออวันที่ตายพวกมันไปเผากลายเป็นอากาศธาตุที่เราเป็นธาตุดินมันเป็นสมมุติทั้งหมดมันเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาส่วนตอนนี้เรารู้ว่า อภิญญาเรื่องกอ่อมันก็เป็นอนัตตาพิจรณาเรื่องของเป็นอนัตตาถามว่าเราอยากรู้อะไรเลยไม่มีอะไรต้องรู้เมือนเรามีหน้าที่ทําความสะอาดพื้นนี่เราก็ถูนะถ้าเราเป็นนักวิใใจัยเฮ้ยไม่ได้ต้องรู้สาเหตุที่มันเปื้อนเจอเม็ดนี้ปุ๊บก็ออกไปเข้าห้องแหละเออเปื้อนพวกหมึกขึ้นป้ายห้ามเอหมึกเข้ามาถูไปเม็ดนี้มันเปื้อนเพราะอะไรขึ้นไปถามว่าชีวิตนี้มันจะสะอาด พระพุทธองค์ไม่เคยบอกให้เราต้องรู้อะไรเลยนะาศาสนาพุทธเนี่ยไม่ต้องเพิ่มอะไรไม่แต่หนึ่งอย่างพระองค์สอนให้เราทำสามอย่างคือทำดีละชั่วขับเกาจิตให้ผ่องใสห้องนี้มันสะอาดเพราะเราเอาความสกรปรกออกเท่านั้นเองไม่ต้องไปรู้ว่ามันสกรปรกเพราะอะไรเราอยากรู้อยากเห็นเป็นกิเลสเห็นไหมเราเป็หน้าที่เนี่ยที่เรามีอยู่มันมากเกินไปแล้ว หเรามีกรรมทราึงมาเกิดในร่างนี้เขาก็ให้ขันห้าเรามาแถมอายตนาทั้งหกให้มาเป็นเครื่องมือดํารงชีวิตนะเรามีมากเกินไปแล้วที่เราทุกข์เพราะเรามีนะแล้วก็ไปสร้างอะไรมี ม, มีมีมากขึ้นทุกข์เพราะอยากจะมีมากขึ้นแล้วก็มีแล้วทุกข์เพราะอยากรักษาไว้กลัวเขาจะมาขโมยไม่ใช่ทุกข์เพราะเราไม่มีนะเป็นเพราะเรามีมากเพราะเรามีขันห้าอันดับแรกใช่ไหม ขันห้ามันมาจากเพราะเรามีกรรมวัตถนัเกิดมาในร่างนี้แล้วก็มีขันห้าเขาก็ให้เครื่องมือดำรงชีวิตเรามาหกอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่เราก็ไปเผลอไอ้ น, นี่เขาเรียกว่าอายตนะนะอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอยายตนะยาภายนอกเนี่ยเรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์มันมากระทบอายตนะภายใน เข้าไปรู้อารมณ์ที่ใจนี่คือของคู่นะเห็นไหมทีนี้เราไม่รู้เท่าเท่าทันในยตนะเราเอาอยตนะมาเส่อันนี้ก็สวยสวยอันนี้ก็เพราะเพราะอันนี้ก็หอมหอมอันนี้ก็อร่อยอร่อยอันนี้ก็นิ่มนิ่มอันนี้ก็เย็นเย็นสบายแต่ไปเจอตรงกันข้ามปุ๊บเขาด่ามาปุ๊บฉันกระทุ้งอยากได้สวยเห็นมันขี้เหร่ก็ทุ้ง ทั้งหมดก็คือเราไม่รู้เท่าทันในจตนะที่พวกกูเรียกว่าที่เราปฏิบัติธรรมดาสมาธิเขาเรียกว่าสมาธิเบี่ยงพวกกูไม่ได้ตั้งชื่อนะเขาก็เรียกว่าเออมันเบี่ยงมันเบี่ยงเข้าไปจริงๆแล้วมันคืออายาตนะปิปัสนากรรมฐานสัตว์แต่ว่าเห็นสัตว์แต่ว่าได้ยินสัตว์แต่ว่าได้กลิ่นสัตว์แต่ว่าได้ ร, าารูนะพระลาหูนั้บรรลุธรรมเพราะสิ่งนี้พาหิยะบรรลุธรรมเพราะสิ่งนี้ นะพระจุลบรรพ์ุกเนี่ยโง่มากในทางโลกจำอะไรก็ไม่ได้นะหลวงพี่บรรลุอลหรหันต์แล้วก็ไปบวชอยู่ด้วยเป็นภาระนะสวดมนต์ก็จำไม่ได้สืกดีกว่านะผู้ทีเจ้าเห็นวาลาจิตก็เดินไปขวางนะจุดดูก่อนจุนลบันพ์ทุกท่านจะไปไหนท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านจะไม่อยากเป็นภาระออของศาสนาท่านโง่มากพระพุทธองค์ก็มอบผ้าขาวให้ผืนหนึ่ง แค่สมัยพุทธกาลเนพ่ยพระพทธเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมไปแล้วครึ่งหนึ่งปิติมากพวกเขากลับไปที่กุติเนะเอามือรูปผ้าขาวรูปผ้าขาวอันนี้อันนี้สัมผัสนะนี่ผัสสะเนี่ยเขาใช้ผัสสะของมือนี่รูปผ้าขาวมารู้ที่ใจมันก็เกิดแรงเนียดขึ้นจิตดุจพลอ้อจิตเดิมแท้เป็นประพัสอนมันขาวอย่างนี้ นะเมื่อเ ก, อ ก, กเลือกกลวยได้กิเลสตัณหาอุปทานมันก็เพื่อนพวกทีเจ้าถึงสอนให้ขัดเกลาจิตให้ผ่องใสแค่นี้ก็บรรลุธรรมเล้วคนโง่โง่จาอะไรไม่ได้บรรลุธรรมไม่ใช่ไปเรียนอะไรเยอะแยะนะนี่คืออายทานะวิปัสสนากรรมฐานนะก็มันเป็นปัจจุบันอุปทานดรว่าเป็นภาพในอดีกระชั่นถึงอดีตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มันผ่านไปแล้วมันเป็นอนัตตาแล้ว ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินส่วนตัวคิดว่าเป็นมโนจิตค่ะจึงตัดไปสนใจลมหายใจต่อทำถูกไหมคะก็ไม่ผิดครับไม่ต้องไปอยู่ที่ลมหายใจอีกเดินทางต่อไปตอนเราอยู่ลมหายใจเป็นการที่ว่าเราตั้งสตินะอันนั้นเราเป็นเกาะไว้ทั่วขา่าวนะแต่ถ้าเราอย่าพิจารณาใช่ไม่ใช่เราก็เดินทางต่อไป ไม่ต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่นะครับเคยฝึกสายหลวงพ่อเทียนท่านอาจารย์โกเฮงก้าทำให้ผู้ทาให้รู้สึกว่ารู้สึกตัวตลอดและนี่จะเป็นเหตุให้การปฏิบัติตามการแนะนำของพ่อครูเข้าถึงจิตได้ยากขึ้นไหมคะถูกต้องมันเป็นสติปัจจุบัน ที่พระครูบอกว่าเราเหวี่ยงแรงแล้วก็ทําตัวเองเหมือนเราเคิร์ฟนอนหลับแล้วนะเพื่อไม่ให้สติปัจจุบันมันดึงเราไว้มันจะเปลี่ยนไปเป็นสติสังฆโชงและเราจะเจอวิชาปัญญาต่างๆเอามาใช้ปัจจุบันแต่ถ้าเราใช้สติปัจจุบันควบคุมอยู่มันเข้าไปไม่ได้ถ้าอารหันต์จี๋คงจึงกินเหล้ามอมสมองสิทรายไม่ให้มันทํางานนะครับที่พระครูบอกว่า ทาตัวเองเหมือนเขมนอนหลับไปแล้วนะมันไปขัดแย้งกับการเจริญสติแล้วก็ขาดสติสิใช่เราจะทำให้สติข้างนอกมันขาดไม่ให้มันมีแรงนะสติข้างนอกเห็นไหมโจรก็ใช้นะเอาไปปนแลนะการเมืองก็ใช้เอาไปด่ากันไงไม่งั้นมันด่าผิดนะเพราะครูถึงบอกว่าบางทีเราเข้าใจผิดว่าถ้ามีสติปุ๊บจบอันนี้เข้าใจผิดครั้งใหญ่ ทางไปสู่การพ้นทุกข์ทานสินภาวนาถามว่าสติอยู่ไหนสินสมาธิปัญญาสติอยู่ไหนไม่มีสติมันแฝงอยู่ในสมาธิมันไม่ใช่พระเอกทุกวันนี้เราติดบ่วงสติแต่ไม่ใช่สติไม่ดีมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในแปดเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งใช้มันเดินทางแต่ไม่ใช่ไปฝึกมันนะครับ นี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่นะกีปีกีปีก็อยู่สตินั่นแหละนะขอเอ่ยชื่อครูบาอาจารย์นะถือว่าเป็นศิษย์ผู้น้องก็อคูรวัดป่านะท่านบวชมา 38, สามสิบแปดพรรษาสติไงเป็นครูบาอาจารย์เข็นนั่นเสีอวมาหลายเล่งท่านเข้าไปถึงปัญญาและท่านไม่ได้เข้าไปสาสสารคดีความข้างในจิตนะอันนี้ต้องใช้คำว่าท่านไม่ได้ทาอะไรผิดเป็นสิที่ แต่ใช้คาว่าเสียดายมีด็อกเตอร์คนหนึ่งฝึกกับท่านมาพอพูดถึงเรื่องท่านบนนั่งร้องไห้ว่าร้องไห้ทำไมพรนะาอาจารย์คนนั้นนั้นจุดวรแต่กราบไหว้และบูชาท่านเป็นสุติปโโนงค์ท่านไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่เป็นวิบากกรรมครับมีแต่ว่าชีวิตเราวุ่นวายมากพอไปฝึกสติสมาธิเนี่ยมันทำให้เราดีขึ้นแน่นอน แค่ไปสวดบนมันก็ลืมความคิดอะไรมันก็สงบนะนะมันก็เป็นสงบชั่วครู่แต่เราต้องเดินต่อไปไม่ใช่จบอยู่แค่นั้นเห็นไหมอนุสติสิพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติกายคตาสติานาปนสติอะไรสติสิบอย่างมันเป็นหนึ่งใน4ี่สกองกรรมฐานมันเป็นสมถะกรรมฐานโดยเฉพาะานาปนสติเนี่ย ครูบาอาจารย์พระครูสมัยก่อนหลวงปชาก็ใช้อาจารย์พุทธทาสก็ใช้มันไม่ใช่ผิดมันเป็นมันเป็นสนมถะกรรมฐานแต่สามารถพัฒนาไปสู่วิปัสสนากรรมาฐานได้แต่ถ้าเราไม่รู้วิธีต่อ ย, ยอดแล้วก็เราเดินลงปานได้มันหมุนนะเออลมหายใจเข้าขออกก็รู้สั้นก็รู้มันเกิดหมุนขึ้นมาแต่ถ้าเราพอใจแค่นั้นเราก็ได้เจริญอาณาปณสติแต่เราเข้าไปในจิตไม่ได้ เห็นหเราต้องเร่งเครื่องเร่งสติมุนกงล้อของธรรมจักรนะให้มันแรงกว่าแรกดึงดูดของความคิดกับอารมณ์อยากที่ใจเราจะเข้าไปในจิตในจิตได้มันจะกลายเป็นมหาสติประธานนั่นแหละคือวิปัสสนาสัมมัศน์กรรมฐานคือบากฐานเบื้องต้นของวิปัสสนาแต่เราก็ไปติดมันติดมันติดมั น, ต, ม น, ต, มนต่อไปไม่ได้นะอันนี้ใช้คำว่าน่าเสียดาย มีประสบการณ์ความเศร้าเกิดเกิดขึ้นในช่วงที่หมุนเร็วๆช่วงหนึ่งและช่วงนั้นก็ปัะสะจาความคิดดังนั้นถ้าไม่รู้ว่าจะให้จิตทำงานเอาเป็นอย่างไรก็จะเวียงจนอยู่กับการเวี่ยงออกจากความคิดไปก่อนได้หรือไม่หรือที่ทำอยู่ จะเป็นทางให้จิตเริ่มเปิดแล้วค่ะเดี๋ยวนะพอคุดจับใ้ความก่อน <c oughs> <c oughs> มีประสบการณ์ความเศร้าเกิดขึ้นในช่วงที่หมุนเร็วๆช่วงหนึ่งนั่นะละช่วงที่หมุนเร็วๆนะความเศร้านั้นไม่ใช่เรื่องปัจจุบันมันเป็นเรื่องอดีตเริ่มไหลออกมาแล้วอันนี้เป็นธรรมในธรรมนะอันนี้เป็นช่วงของเก่ามันกลังไหลออก ไหลออเรารู้เฉยๆไม่ต้องไปเศร้าตามมันนะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเจ้าชายยุทธาเนี่ยตรัสรู้ธรรมด้วยความเศร้าพระองค์เศร้าเนื่องจากพระองค์มีเมตตามีมหากรุณาเห็นอะไรก็เศร้าไปหมดในสงสารสัตว์โลกนะแอบพระองค์บรรลุธรรมเพราะความเศร้าความเศร้ามีประโยชน์นะครับพระครูเนี่ยเห็นธรรมด้วยความเบื่อ นะมันไม่เหมือนกั น, นบารมีเราไม่เทียบเท่าพราะพระองค์พระองค์เป็นพระธิสัตว์มาหลายชาติมีแต่เรื่องเมตตากรุณาพราะองค์มองอเลยเศร้านะแต่เนื่องจากาเรามีความอยากเราเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ไนะพอทำทำทำทำมันทําให้เราเบื่อนะพระครูเห็นทํำด้วยความเบื่อนะมันมีประโยชน์นะความเศร้าความเบื่อมีประโยชน์นะ ไม่ไม่รู้ว่าจะให้จิตทํางานเอาไปทำไม่ต้องไม่ต้องไปกําหนดมันนะก็คื อ, คอหุนไปเรื่อยๆแล้วก็จําคําว่ารู้เฉยๆไม่ต้องไปแยกแยะว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยไอ้ความเศร้านี่มันอุปทานหรือเปล่ามันคิดขึ้นมาเองหรือมันเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินรู้เฉยๆกลายเป็นว่าเราเอาความเศร้านั่นเป็นเป้าบินและต่อไปชีวิตเราความเศร้าอันเกิดปุ๊บปุ๊บเราผ่านมาแล้วไงเหมือนเราไปฝึกทหารนะอารมณ์ใดผ่านมาหมดแล้ว นะต่อไปชีวิตรเราเนี่ยอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สักรู้เฉยๆอารมณ์มีไวให้เห็นไม่มีไวให้เป็นนะครับจ่ายหนี้กรรมคืออะไรนะครับจ่ายหนี้กรรมสมมติว่าเราเกิดมานะไปเจอในกอเนี่ยมันแก้เราตลอด <c oughs> ทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรมันเลยบางทีเราเจอในขอนี่มันไส้มันไส่ไม่รู้เหตุผล เห็นไมเจอในงอถูกชะตามากมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่บันทึกไว้ไอ้คนที่มันไส้มันเป็นพยาบาทเก่าเนะ่พราะรูถึงบอกว่ามันให้ทานการให้ทานเนี่ยคือวัตถุทานเราหาเงินมาแทบเงื่อไหลใครย้อยพอจะเรียนจบมาเนี่ยนะนะทุกคนก็ต้องหาเงินนะการที่เอาวัตถุที่เราหามายากลาบากเนี่ย ไปแบ่งปันไปให้ทานเรียกว่าวัตถุทานอันนี้พราครูพูดเอาเองเป็นบรรทัดฐานไม่ได้นะคือเป็นแค่สมมติว่าวัตถุทานเนี่ยได้สิซคือขัดเกาความโลภความตห น, นีไปได้ส0ซนะส่วนการให้ธรรมทานพรอครูกำลังให้อยู่เนี่ยนะต้องต้องอนุโมทนาสาธุขอบคุณทุกคนว่าเปิดโอกาสให้พระครูได้ให้ธรรมทานอันนี้ชี้ทาง นะให้ธรรมทานให้ทุกคนเกิดปัญญาอันนี้ถ้าพระคูให้คะแนนได้สี่สิบเอร์เซนโดยไม่ต้องเสียตังนะเพราะว่าบุญมันออกพูดทีหนึง่งถ้าออกยูทูบเนี่ยไปทั่วโลกเลยนะพูดทีหนึ่งเนี่ยประโยชน์มันเกิดจากวงกว้างนะเราเพราะเราไม่เหนียวความรู้เราไม่ลิขสิทธิใช่ไหม อันนี้ได้ส0สิบเแต่ให้ธรรมทานร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับให้อภัยทานแค่คนเดียวครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวทำไมถึงเปไง็นอย่างนั้นนะมันให้ยากไอพยาบาทที่เราอุ้มอยู่ในตัวเนี่ยมันเหมือนแบบภูเขาอ่าเพราะว่าไอนี่มันไส้มันแค้นนี่ต้องชำระสิบปียังไม่สาย ผ่านไปเก้าปีสิบเอดเดือนยี่สิบเก้าวันอีกวันนึงจะหมดวีซ่าแล้วคืนนั้นกำลังจะนอนคิดถึงหน้ามันอีกวีนขึ้นมาอีกต่อวีซ่าไปอีกสิบปีคิดถึงหน้ามันเมื่อไหร่ก็วินมานั้นนี่เป็นกรรมไงคล้า ย, ายว่าเพราะเราไม่ยอมให้เรามีที่ติมานนะแล้วก็แบกภูเขาอยู่ในอบแล้วก็ตายเราไม่จบนะไปเผาแล้วเนี่ยมันเผาได้ไหม ธรรมชาติบอกอย่าค้ากำไรเกินควรร่างกายเผาทายไอโปรแกรมเกา่ากำอยู่นั่นน่ะมันต้องต่อยอดไปนั่นแ่ะแบกได้เป็นพยาบาทข้ามกพข้ามชาติการให้อภัยทานจึงได้อันิสงส์สำหรับผู้ให้เนี่ยได้มากที่สุดถึงจะให้อภัยทานแค่ครั้งเดียวกับคนคนเดียวนี่แหละเข้าใจไหมเราได้ภูเขาออกจากองค์นั่นแหละที่เขาบอกว่าละชั่ว ย, ยิ่งกว่าทาดี เออทำดีแล้วก็เพิ่มบุญไงใช่ไหมล้วก็ขัดเกาีความโลภความี๋ออกส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่การให้อภัยทานเนี่ยมันมันได้มากที่สุดนะครับไใบนะครับไปจากนี้กัโอเคเกิดมาในครอบครัวนี้ถ้าใครเป็นคนจีนจีนแต่จิ๋วนะ เขารักลูกเขามากเขาก็ด่าลูกเขาพราคู่ตอนเด็กๆ เ, เคยได้ยินคนข้างบ้านมันมีอะไรมีจะมาขอเงินแม่แม่บอกไอ้ทอแจ้กเกียพทอแจ้กเกียร์ไปไว่าไอ้ลูกทวงนี้บางคนเกิดมาทวงนี้บางคนเกิดมาจ่ายหนี้ไม่ได้เกิดขึ้น ล, ลอยการที่เราเกิดมาเป็นคู่หัวตัวเมียมีพี่เ ป, เป็นน้องกันเนี่ยมันสร้างกรรมมาด้วยกันทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบนะ ในตระกูลเดียวกันเนี่ยมีพันธุ ก, กรรมเหมือนกันพ่อแม่เดียวกันดีเอเอเหมือนกันเลยแต่นิสัยไม่เหมือนกันเพราะว่ากรรมมาพันธุ์เราเราชนมากเราเข้าใช้ใช้ผิดเราคิดว่าเป็นกรรมพันธุ์จากพ่อแมอ่พ่อแม่เป็นมะเร็งเป็นเบาหวานอันนี้เป็นพันธุ ก, กรรมกรรมพันธุ์คือเราสร้างกรรมมาต่างกันเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะ แล้วเกิดมาเจอกันนี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะมันเคยมีทั้งขั้วบวกขั้วลบมาแล้วมาตามมาจ่ายหนี้กันก น, นะที่ก็บอกว่าไอ้ไอทอแจ้เกียร์เนี่ยไอ้ลูกทวงนี้ <c oughs> นะถ้าชาตินี้เราไม่จ่ายหนี้คืนนะชาตินี้เขาเลี้ยงเราต่อไปชาติหน้าเราเลี้ยงเขามีครอบครัวพูดภาษาครอบครัวหนึ่งตอนนั้นมีลูกเล็กๆสองคนเป็นเอ็กผู้หญ เครียดมากถึงขนาดจะยาล้างกันเลยนะทีนี้คุณหมอเข้ามาปฏิบัติเขาก็แนะนำมาสูนย์ก่อนจะย้ายไปจังหวัดึืนก็ลางานมาเจ็ดวันน่นแห ะ, ะทั้งสองครอบครัวพอนั่งไปนั่งมาภรรยาผู้วิภาคษาอายุสี่สิบกว่านะไม่ไม่นั่นแล้วุูกชาติกลายเป็นคนแก่ก่อนคนแก่อายุเก้าสิบเอาไม้กวาดพวกูนี่เดินอยู่ในข้างศาลาหลังโกง พราะกูถามยายยายไปไหนไปเยี่ยมหลานวางเถอะแกแล้วอู้คิดถึงมันเห็นว่าเก้าสิบปียังไม่วางหลานเนี่ยนะเลี้ยงลูกจนโตก็จะเลี้ยงหลานอีกเนาะทีนี้ผู้พากษาเขานั่งเขากรรมฐ า, านเขารองโอ้ยคุณยายได้ยินได้ยินเสียงก็เข้ามาในศาลาลูกผัวลูกเอ้ยลูกเอ้ยอย่าร้องให้มันมาทวงนี้เขาทุกกับแฟนเขามาทีนี้เราเช็คดูแล้วผู้พากษาก็เป็นคนดี แต่แกไปตัดสินคดีแล้วมังแกรู้รู้ดูรู้ทั้ง ร, ร, ร, ร, รู้ไอ้จำเลยนี่มันไม่ได้ผิดแต่พยานหลักฐานมันมาเลยถ้าไม่ตัดสินตัวเองก็อยู่ไม่ได้พอตัดสินปุ๊บพูดภาษาระไปทั่งกินเหล้าซื้อๆไม่ได้นะถูกปดนเลยนะไปขโมยกินเหล้ามาที่นี่คุมสติไม่อยู่กับท้อกับเมียคนดีสองคนคุยกันไม่รู้เรื่องหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยภรรยาก็มานั่ ง, งร้องไห้ไปเล่าให้กูฟังหมดไอ้นี่จะหย่าร้างกันแล้วนะบอกรู้หีือย่าง นะเกิดมาเป็นแม่เขาเหมือนเก่าไม่ได้ก็ เ, เป็นมาเป็นเมียรับชีพใช้หนี้กรรมเขาหนี้กรรมนะครับถ้าชาตินี้เราจะไม่รีบล้างออกนะมันก็ต้องตามมันไปอนาคตชาตินะการรักพ่อรักแม่นะพ่อแม่เนี่เปรียบเสมือนผ้าลาหันของลูกเขาเปรียบเทียบว่าเพราะความรักพ่อแม่เนี่ยกับเราบริสุทธิ์มากเพราะว่า เขารักเราจนบางครับเขาเข า, เขาโกหกเพื่อปกป้องเราเขาจะตกนรกเพื่อเราก็ไดนะ้เขาจะถูกอย่าผิดก็ช่างอย่าไปแตะต้องวิธีจ่ายนี่ก็ไม่ใช่ไปหาเงินแสนล้านเอาไปให้อะไรก็ไม่จบไม่พอนะต้องชี้ทางทำไหมท่านต้องชีท้ทางทาก็มีเรื่องหนึ่งคือคุณหมอก็ไปหาพ่อครูอย่ก็คุณหมออย่างลังมาถามว่า คือคุณหมอคนนั้นเคยไปถามหลวงพ่อชาตอนที่ท่านยังอยู่ว่าเพื่อนก็จบหมอมาด้วยกันคิดว่าไปบวชให้พ่อแม่อาทิศหนึ่งบวชไปบวชมาไม่สึกเลยเป็นพี่ชายคนโตนะพ่อแม่ก็คิดว่าส่งเสียแล้วเนี่ยจบมาจะไปเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงน้องๆไงหเห็นไหมบวชแล้วไม่สึกเลยก็ไปถามหลวงพ่อชาว่าอย่างนี้ไม่เห็นแก่ตัวเลยหลุงพ่อชาว่าถ้าจบแล้วไปทามาหาเงินเนี่ยเลี้ยงพ่อแม่เนี่ย มีคุณค่ากระตัดอยู่เท่ากับตะกั่วก้อนนึ่งชั่งกิโลขายได้แต่ถ้าบวชปุ๊บไม่สึกเลยเนี่ยเทียบเท่ากับทองคําก้อนหนึ่งหลายคนงงเทียบเท่ายัางไงไม่กระตันยูมากเกินว่าตอนนั้นมันเป็นเทมพคัตเสร็จนะมันเก่าอ่ะนะเขาฟังนะมันก็ไม่จบก็มีคนถามพ่อครูหนูก็ว่ามันเห็นแก่ตัวนะพรอครูคิดยังไงพ่อครูคเลยว่าเอาออย่างนี้ก่อน เวลาเขาไปบวชปุ๊บเนี่ยเขาทําอะไรก่อนเขาปรุงผมเขาปรุงความสวยงามข้อก่อนแล้วก็โกนคิวอ่าแล้วเขาปรุงเสื้อผ้าสวยงามได้สีเหลืองๆชุดหนึ่งแล้วเขาก็ปรุงอาหารเย็นด้วยเขาเห็นแก่ตัวไหมเขาไปเสพสุขหรือบาดัอะไรอันดับแรกไม่แล้วพอบวชเสร็จปุ๊บระหว่างแม่กับลูกเนี่ยใครไหว้ใครคุณไหม อ, อแม่ไหว้พัก ถ้าแม่ไหว้ลูกนี่อาบัต เ, เป็นเป็นอาเพศแม่ได้ไหว้พระแล้วไงจะเป็นรวยก็ช่างจนก็ยันก็อ้างว่าไม่มีเวลาไปทําบุญแต่เนื่องจากชอบไม่ชอบก็ช่างเมื่อลูกบวชแล้วก็ไปเข้าวัดได้ทําบุญถ้าไปเจอพระจริงๆเขากลัวเป็นหนี้เราเขาก็ให้ทำบารานคุณแม่ก็ได้ปฏิบัติธรรมเวียงความยึดมั่นถือมั่นว่าลูกกูทิ้งซะธรรมชาติไม่ได้บอกฉันหน่อยนี่ลูกเธอเราเป็น ตั้งเองว่าเป็นลูกฉันไงเวลาไก่มันออกไข่มันฟักเองนะโอ้มันหัวมากมันฟักมันก็พาลูกมันทำมาหากินพอหมาตัวหนึ่งมามันสู้ไม่ได้มันก็กัดตัวหนึ่งต่อหน้ามันไม่ร้องให้ก็พาที่เหลือไปทำมาหากินเมื่อไก่มันโตปุ๊บแม่มันก็วางได้นะแต่คนเราวางได้ัหมไม่ได้ลูกฉันไงเป็นลูกฉันไม่พอนะหลานฉันด้วยนะ เราไปสร้างอุปทานเหล่านี้ขึ้นมาเองธรรมชาติไม่ได้บอกว่าลูกเรานี่คืออุปทานที่มนุษย์ก่อตัวขึ้นมาก็เป็นกรรมเนาะทีนี้ทําบางคนบอกธรรมชาติทําไมโหดร้ายจังเขาไม่ได้โหดร้ายเขาไม่ได้บอกว่าลูกเราซะหน่อยเราไปยึดมัน่นถือมั่นว่าเมื่อตัวกูแล้วก็ลูกกูไงเราเป็นลุงเองเนาะ อา น, นิสง์ที่ว่าอา น, นิสง์ของการบวชเนี่ยหมายถึงว่าเขาไปใช้อุบายเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ก็วางซะขาบอกว่าอาศัยผ้าเหลืองชายผ้าเหลืองเนี่ยทําให้เรามีโอกาสได้ปฏิบัติทําให้เข้าวัดมันมีทางเดียวที่สนองคุณกันเนี่ยก็คือว่าชี้ทางทําให้พ่อแม่ให้ท่านล้างโปรแกรมได้ออกแล้วเราก็ล้างออกไม่ใช่ฉันมายึดมั่นถือมั่นชาตินี้ฉันเลี้ยงเธอชาตินหน้าเธอเลี้ยงฉัน สนุกดีเนอะเกิดมาเป็นแม่เขาไม่ได้ก็เป็นเมียรับใช้เขาออกสนุกดีเนาะนะครับอันนี้คือการจ่ายหนี้กกับมันมีวิธีแก้อยู่อาการที่ลูกหนูวิ่งเมื่อจิตนิ่งเต็มที่ทำให้ปวดมากเป็นหลายครั้งแล้วจะทำอย่างไรดีรู้เฉย รู้เฉยๆยิ่งปวดยิ่งดีแสดงว่าเราได้จ่ายหนี้กรรมถ้าเราทนสภาวะ น, นั้นได้นะ่ะคือไม่ต้องทนด้วยถ้าเรารู้เท่าทัานมันจะไปปวดตามมันมันเป็นธรรมะลมนะก็เป็นการจ่ายหนี้กรรมทางจิตเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยเราเกิดเ้าตีหัวปุ๊บเราก็ปวดหัวแล้วก็เราเราก็ปวดเราก็ทุกข์ใช่ไหมเราจ่ายหนี้กรรมก็รู้สึกทุกข์ บางคนไม่ได้ตีหัวเลยนะ อ, อกหักไงก็คิดเฉยๆก็ทุกเฉยๆก็เป็นหนี้กรรมแล้วจ่ายนี่กรรมด้วยความทุกข์พอเราเข้าไปในกรรมฐานมันเกิดความเจ็บปวดเนี่ยอันนี้ก็าจ่ายนี่กรรมเพราะครูทึงบอกว่ายิ่งเจ็บยิ่งเวียงยิ่งปวดยิ่งเวียงอย่าไปหนีมันไม่มีผู้ใดหนีกรรมตัวเองพ้นเราหนีวันนี้ก็ทับใช้ในวันหน้าใช้ในชาติหน้าเมื่อเราฝึกเรียบร้อยแล้วเจ็บแค่ไหนก็ผ่านมาแล้วชีวิตจริงไปเจออะไรจิ๊บจ้อยเช่ไ เมื่อทํานานๆจิตตังพื้นที่เหยียบจะเยียงไปเยียงมาและที่ฝ่ามือจะมีคล้ายลมกระทบไปมาคืออะไรครับนั่นแหละลงปานมันเดินแล้วนะนะเราก็สัมผัสจริงๆแล้วมันไม่ใช่สัมผัสจริงๆกระทบมันเป็นอารมณ์ของจิตนะตน ก, นก็รู้เฉยๆเหมือนกันระู้เฉยๆนะพื้นจริงๆมันไม่ได้เยียงไปเยียงมานะ <c oughs> เออแต่ความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอารมณ์เก่าที่มันซ่อนอยู่ข้างในมันไหลออกมาเนะี่ยมันมีประโยชน์หมดสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมอารมณ์ปัจจุบันเรียกว่าเวทนาในเวทนาอารมณ์ในอดีตมันไหลออกมาเรียกว่าธรรมในธรรมเราก็เอาเนี่ยอารมณ์มีข้างนอกข้างนอกเรียกว่าเวทนาข้างในเรียกว่าธรรมในธรรมนะเราก็ใช้อารมณ์เหล่านี้นะักเป็นครู ทำให้จิตไปเรียนรู้กันมาเห็น ไ, ไหมความรู้สึกเจ็บก็เป็นเรื่องอารมณ์แต่มันเจ็บปัจจุบันสมมติว่าเราเหวียงไปเหวี่ยงมามือ น, นี้ไปใส่เสาจริงจริงมันเจ็บมันนี่คือเวทนาแต่ถ้าอยู่ๆไม่มีอะไรอนะไรมันก็รู้สึกเจ็บปี้ขึ้นมาเลยมันเป็นทํามเลยธเป็นของเก่าเรารู้เฉยๆนะครับการปฏิบัติต่อยอดที่บ้านสามารถทำได้อย่างไรบ้าง ทุกเวอร์ชั่นที่เราทํามาไม่ใช่ทั้งทําทั้งหมดเราไม่มีเวลานะเลือกแบบไหนก็ได้ที่มันเหมาะกับเวลานั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าจะใช้แบบไหนใช้ได้นะครับแต่ว่าเมนของมันเนี่ยนะตัวหลักของมันก็คือนั่นหมุนเมื่อที่เราอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยนะเราก็นั่งหมุนมีเสียงก็ได้ไม่มีเสียงก็ได้นะแต่ถ้ามีเสียงเบาๆจิตมันมีที่เกาะไม่อย่งนั้นจะเผลอไปคิดเผลอไปคิดนะที่เขาจับลมหายใจจับอะไรเนรี่ยเขาเพื่อมีที่เกาะ แต่ตัวจับนะั้นเป็นตัวสมมาตรกรรมฐ า, านของเราไม่ต้องเป็นอะไรนะนะก็หมุนก็คือหมุนนะเพียงแต่ว่าถ้ามีเสียงแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเหมือนเราเต้นลําเปตเนี่ยไม่ต้องมีจังไม่มีจังหวะเป็นเราก็เต้นได้แต่ถ้ามีจังหวะเราเต้นได้ดีหน่อยนะครับจิตมันจะรวมได้ดีหน่อยหนึ่งทําได้ครับถ้าเกิดเรามีสนามญ่าเห็นไหมเขาเดึมเขาฝึกไถ่แก้ฝึกอะไรเนี่ยเ่็นไหมันจะมีโปรแก ร, รมอยู่จะคุยเ จ, จิตอาสาอยู่มันม สวนสาธารณะใกล้ๆเนี่ยนะวันไหนเรานัดกันไปจองที่เพืนอไปเซ็นสัญญาของเขาก็ได้นะนะจมรมเราสักหกโมงเช้าถึงเจโมงครึ่งนะชั่วโมงแรกก็เช็คแอนด์แดนอีกครึ่งชั่วโมงนี่ก็สุริยันจักรธาญนะาติธรรมว่ามกโกแวกไปนะครับแล้วก็เริ่มเพิ่มสมาชิกเรื่อยๆโอเคนะอันนี้กาลังจะทำอยู่ การที่เราปฏิบัติสามารถแผ่พลังให้คนใกล้ชิดหันมาปฏิบัติตามเราได้ไหมครับตรงๆเลยนะครับในครอบครัวหนึ่งต้องมีคนหนึ่งเริ่มต้นนะพราะกูเคยเล่าว่าพวกกูกลับอเมริกาใหม่ๆให้ลูกน้องเก่าที่เป็นอดีตโคศก ช, ชื่อดังนะคิดว่าลูกพี่จะมาเลี้ยงเรลาฝรั่งเพราะเคยกอดค อ, อกันเมานะเวลาทำไมก่อนเราไปเที่ยวเนี่เขาขับรถ พอกลับมาพ่อคูกขับทุกครั้งมันเมาเรเลย <c oughs> ตอนนี้มาปุ๊บถูกเทศแล้วเขาศรัทธาพ่อคูมาบอกให้เบียดมันก็เบียดเบียปุ๊บอาเจียนเต็ไมไปหมดเลยเขาก็เล่าให้ผู้ฟังว่าตอนนี้เขาเผลอไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านนี้ก็ลูกสามคนบ้านนี้ก็ลูกสามคนตัวเองรับเงินมานแทนที่จะกลับบ้านก็ไปมเมากับเพื่อนบ้านเล็กทะลอบ้านใหญ่ พอ ม, นอมันนักงอ้วกไม่กี่ครั้งอนะนะออพอเพื่อนชวนไปกินเล่าเฮ้ยมีทุลักอยู่เฮ้ยปวดท้องไปที่โน่นน ะ, นะไม่ต้องมีรายได้เพิ่มเลยนะนะที่นี้ก็จุดเจือได้แล้วก็พาทั้งสองบ้านมาเวียนตอนนี้บ้านเล็กเป็นห่วงบ้านใหญ่บ้านใหญ่เป็นห่วงบ้านเล็กเห็นไหมตรงๆเลยเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเราก่อนแต่มันอีกนั่นแหละมันไม่ใช่เสมอไปนะมีผู้หญิงคนนึงมาจากออสเตรเลีย เป็นคนเราปรพยพไปอยู่ที่โ น, น่นเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเหยียบพื้นวอสเดียปุ๊บเนี่ตั้งแต่ปีนั้นมาเขาไม่เคยนอนหลับสนิทเลยนะหลังจากแล้วเขาเป็นคนขี้บน่นพูดตั้งแต่เช้าจนเย็นพูดรุนรุนพอมาเบียนกับพ่อครูปุ๊บเนี่ตอนนั้นคิดว่าอยากมาอยู่กับพ่อครูเลยนะคนสบายสบายแต่สามีกับลูกไม่ยอมพอกลับไปปุ๊บเนี่ยเขาลอกเลยไม่ให้ปฏิบัติคือเป็นคนเงียบหมดผิดปกติไงเพี้ยงไง คือคนมันเคยได้ยินคนบ่นมาเรื่อยๆมันไม่บนน่นนะกลายเป็นเรื่องเนี่ยไม่ให้ปฏิบัติอันนี้ก็เป็นกรรมเนาะโอเคจบแค่นี้นะลองมาโปรแกลอะไรนี์หน่อยหน้านาจิตตังเต็มที่เลยนะจะได้นอนหลับสนิทเนาะกลับเริ่มเลยทีนี้ใครใครพร้อมก็เริ่มใครไม่พร้อมก็เข้าห้องน้ำก่อน